أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم ربي شرح لي صدري و يسر لي أمري و أحل العقدة من لساني يفقه قولي ا ل ل ه h علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشد اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت س ب ح ا ن ك إن كنا من الظالمين ربنا ا ل l a h u m m a إ ا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم سلِبْنَا اللهم ر ز ق ن الع ا العافية في الدنيا والآخرة في رحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله شكر ์ الله سبحانه وتعالى ที่ครั้งนึ่งครับวันนี้อะ วันพฤหัสทุกๆสัปดาห์นะครับเราก็จะอยู่กับการเรียนอัลกุรอานของเรานะครับแม้ว่าจะมีข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระบาดรอบใหม่นะครับเขาบอกว่าให้เรียกว่าระบาดรอบรอบใหม่ไม่ไม่เรียกว่ า, าระบาดรอบสองนะฮะตอนที่ภูเก็ตเราก็เป็นประกาศออกมาแล้วนะครับว่าแบ่งโซนออกเป็น ออกเป็นส่โซนอัลฮัมดุลิละยังไม่ประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศเหมือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเป็นการให้เราได้เตรียมตัวหมายถึงไม่ใช่เตรียมตัวที่จะเจอคือเราไม่อยากเจออยู่แล้วแต่หมายถึงว่าให้เราได้ระมัดระวังนะครับอัลฮัมดุลิ ล, ละที่มันไม่ได้มาแบบเหมือนกับที่ ที่ต้นตอของรอบใหม่นะนะมันไม่ได้มาแบบทีเดียวเป็นสิคนหรือเป็นร้อยคนก็ทำให้เราสามารถที่จะตั้งมือตั้งรับได้ก็หวังว่าเราจะติดตามข่าวหรือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงก็ยังคงสนับสนุนให้ใช้มาตรการในการดูแลตามที่ หน่วยงานของรัฐนะครับได้ขอให้เราใช้นะครับเรื่องของ social distancing ของการใช้ปิดหน้าหน้ากากนะครับแล้วก็การใช้น้ำยาล้างมือหรืออะไรต่างๆ น, นที่เราเคยมาแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วรอบสองเนี่ยหรือรอบใหม่ที่กำลังจะที่ที่มันมีแล้วเนี่ยอินชาอัลลอ์เราคิดว่าคงจะขอดุดหนะครับขออุดหเราหวังว่ามันจะไม่ไม่ยืดเยื้อยาวนานถึงขั้นต้องปิด ล็อกอีกนะครับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยน่าจะหนักกว่าที่อื่นนะที่ผ่านมาเพราะว่ามีการล็อกไม่ใช่แค่จังหวัดอย่างเดียวแต่ล็อกในระดับตำบลระดับเทศบาลกันเลยนะเรารู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงสถานการณ์แม้กระทั่งอตอนนี้เองเนี่ยผลกระทบจากการที่ถูกปิดล็อกนะครับครั้งนั้นก็ยังเห็นผลอยู่นะครับ นักท่องเที่ยวก็ไม่มาเศรษฐกิจก็หลายเรื่องอยู่ยังไม่ได้ฟื้นตัวนะครับดังนั้นจึงยังคงต้องการร่วมมือร่วมใจจากพวกเราทุกคนนะครับในการดูแลซึ่งกันและกันในการช่วยกันดูอาช่วยกันดูแลตัวเองช่วยกันดูแลครอบครัวช่วยกันสังเกตอาการของตัวเองนะครับเราต้องรู้นะผมว่าพวกเราทุกคนต้องรู้แล้วแหละต้องรู้แล้วว่าถ้าสมมุติโรคนี้มันจะมาเนี่ยมันเริ่มจากอะไรก่อน เริ่มเช็คจากตัวเองก่อนเจ็บคออาการพวกเนี้ยต้องดูแหละเจ็บคอเริ่มเจ็บคอหลายวันติดต่อกันอ่าที่ผมรู้สึกมันตลกแต่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะที่ก็บอกว่าจะไม่มีกลิ่นใช่ไหมคนที่ตติดติ ด, ตดเชื้อเนี่ยจมูกจะไม่จะไม่ทํางานหรือว่าต่อมรับกลิ่นจะไม่ทำงานลองดูตื่นขึ้นมา เ, าเช้าๆลองดมลองดมดมอะไรดิ ถ้าใครชอบกินกาแฟก็ลองลองดมกลิ่นกาแฟดนะูว่าโอเคไหมจมูกยังทํางานอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นการเช็คตัวเองนะต้องเช็คต้องเช็คต้องดูต้องดูเพราะว่าโรคนี้มันระบาดง่ายนะครับมันระบาดง่ายแล้วก็ถ้ามีภูมิต้านทานที่ต่ําเนี่ยก็จะอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นขอดูอาต่ อ, อรอบสวาลตาเราให้เราทุกคนยังคงปลอดภัยอยู่นะครับมีดูอาที่เราเคยสอน ในคู่มือการดูแลตัวเองในช่วงโควิดดูอาเนี่ยสามารถใครถนัดดูอาแบบอันไหนก็เอาเลยหรือแม้กระทั่งดูอาที่เราใช้อ่านเช้าเย็นในอัลกัรนับอวียะก็อย่าที่อัลลอฮฺมะอฟินีฟีบัตันีอัลลอฮฺมะอฟินีฟีซัมัยอัลลอฮฺมะอฟินีฟีบอสรีก็ยังเป็นดูอาที่จําเป็นนะครับวกเราที่ใช้ปฏิบัติในประจํำวันนะครับวันนี้สุรตุลฟัดเราจะเริ่มอ่านตั้งแต่อยักที่11 เป็นต้นไปห <c oughs> น้าสองหกศูนย์เจ็ดในตัพทมุลขุราน أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول لك ا م ل م خ ل ف و ن من الأعراب شغلتنا أموالنا وأ fas-tu-fir-lana يقولون بألسناتهم ما ليس في قلوبهم กลวั ل แ ك ่ م ิมลิคุลคุมในอั ي ลอฮ์ชัยะอินอาราดบิคุม ضر أ ั ر َว د อ بِكُمْ نَفْعًا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظنتم أ ل ي َ ن قال الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا إلى إ ิลล์อาฮลิมอับ ي าแ ل ะเราได้ประทับในใก ف ่าละเรา ظن ن <ت ص> ف س ว وكنتم قوم بورا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ و َ ر َ س ُ فإِنَّا أَعْتَدْنَا لِالكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ي กรฟิร์ลไม่ยาชาและยูอัดดิบไม่ยาชาว่ الحمد لله วันนี้นะครับเรื่องราวที่ซูรุห์อัลฟาต์จะพูดถึงจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ในสุลอุลกูดายบียะซึ่งเราได้คุยแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าท่านนาบีสุลลัลลอฮะะได้ทำสัญญากับบรรดาพวกมุชริกีน ว่าจะหยุดพักรบสิบปีนอกจากนี้ยังมีการทำสัตยบันที่เรียกว่าใบอัตุริด้านใบอัตุรด้วนตายต้นไม้ที่อุดเบียนะครับอินนัแลี่นยบยนอินนันมายุบายนัลลอฮ์นะบามุมินที่มาพร้อมกับท่านนบีลลัลลอฮุซลมได้ทาสัตยบักับท่านนบีในการที่จะไม่ หลบนี้ถ้าสมมุติเกิดสงครามขึ้นจริงๆระหว่างชาวมาดีนนะกับชาวโปรตุเอสที่นะครับอฮอดายบีแต่สุดท้ายก็ได้ทําสัญญากับพวกมุชลิมก็ไม่ได้เกิดสงครามแด่อย่างใด น, นะครับแต่การทํำสัตยาบันของซอฮบะ น, นั้นได้ถูกจารึกเอาไว้แล้วทาสัตยาบันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสู้เพื่อที่จะไม่หนีจากสงครามถ้าเกิดสงครามแน่นอนยอมเสียชีวิตยอมพลีชีพ เพื่อที่ช่วยช่วยเหลือนะครับท่านนาบีสโลลล์ฮะลาอิฮ์ซัลลัมแต่สุดท้ายเป็นยังไงสงครามเกิดไหมสงครามไม่เกิดสัตยาบันเป็นไหมหมายถึงว่าการใบอของของบรรดาซาบาเน่ approved ไหมอนุมัติไหมก็ไม่ได้ยกเลิกนะสัตยาบันตรงนั้นก็คือถูกจารึกเอาไว้แลวะละอาราตลาจดบันทึกเอาไว้ในในสมุดบันทึกความดี ของพระองค์ลลอฮฺท่านอัลลแล้วทุกคนเลยที่สัตยาบันกับท่านนบีสอลตัลลอฮฺอะลัยซัลลัมใต้ต้นไม้ในวันนั้นได้รับการชื่นชมจากอัลลอฮฺซุลฮานะวะตาละได้รับการการันตีจากอัลลอฮฺและจากรอซูลของพระองค์ว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นบุคคลที่ดีที่สุดบนหน้าทันดินมีหะดิษนะครับที่ท่านนบีบอกว่าแอนตุมไครุอัลลิลอัลยองพวกเจ้าทุกคนที่ให้สัตยาบันกับฉันที่ เรียรกว่าบใยอัตรรดวานเป็นบุคคลที่ดีที่สุดบนห น, น้าแผ่นดินในวันนี้นะครับแล้วก็มีบางข้ดิสที่บอกว่าลายดูล ah um ah ุ النار أحد ممن بايع تحت الشجرة ทุกคนที่ให้สัตยบาบันกับท่านนบีสุลติละฮ์ในอัลสลามแต่จนไม้ที่อูดายเบียเนี่ยไม่มีใครที่ต้องเข้านรกเลยมนะอัลลอฮ์ บรรดานักอุลามะบรรดานักจับเสียรอุลามะทั้งหมดเนี่ยเอาอายัดนี้มาเป็นหลักฐานที่จะบ่งชี้ถึงความประเสริฐของบรรดาสัฮาบะห์นะถ้าเราได้ยินคนบางกลุ่มพยายามที่จะโจมตีสัฮาบะห์นะครับมีคนบางกลุ่มที่พยายามโจมตีสัฮาบะห์พยายามกล่าวหาใส่ร้ายสัฮาบะห์นะครับที่บอกว่า หลังจากที่ท่านนาบีเสียชีวิตเนี่ยบรรดาซาบะอบูบากุมารุมานทั้งหมดยกเว้นบางคนยกเว้นอาลีบ้างยกเว้นอะไรพวกนี้บ้างไม่กี่คนนะครับที่ยังคงอยู่ในอิมานที่เหลื อ, อนี่ตกมดตัดหมดเลยเราจะเอาหลักฐานไหนไปตอบโต้ข้อกล่าวหาใส่ร้ายเหล่านะั้นหนึ่งในจํานวนข้อการตอบโต้ข้อกล่าวหาใส่ร้ายนั้นก็คือ เนี่ยอายตนี้อาะไปใช้ได้เลยอินนั้น الذين ي ب, ي ب <الله> พระว่านึงพันี่ร้อยคนนะหน่งพันสรคนที่ให้สัตยบันกับท่านนาบีสุลต่าลฮอลเัลลัมเนี่ยที่อัตุริดวานทั้งหมดได้รับการการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์ยังมียังมีอีกอายัดหนึ่งที่พูดถึงคนที่ให้สัตยบัตเดี๋ยวเราจะได้เรียนหลังจากนี้นะครับพวกมูนาฟิกไม่ได้มาไม่ได้มาด้วย พวกมุนาเฟกเนี่ยไม่ได้ในครั้งนี้ด้วยนะครับในบางรายงานบอกว่ามีหลุดมาหนึ่งคนแต่หลุดมาหนึ่งคนเนี่ยตอนที่ท่านนาเบียทาการสัตยาบันใต้ต้นไม้เนี่ยมุนาเฟกคนนี้ไม่ได้ให้สัตยาบันด้วยไปหลบอยู่ว่ากันว่าชื่ออัลจัดอิบนาควิสมีฮะดิษ่รายงานจากจาเบรว่า يقول جابر รเลนะ ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد ابن قيس أخو بني سلمة ا والله لك أني ن أنظر أن إليه لاصقا بإبط ناقته قد صبى قد صبأ إليها يستقر بها من الناس الجد ابن قيس เนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนบุคคลที่อยู่ในกลุ่มพวกมนาซิกนะครับ ก็มาด้วยในส่วนของทูายเบี้ยแต่ในขณะที่ท่านนบีเรียกร้องชุมนุมซาฮาบะให้มาให้สัตยาบันกับท่านเนี่ยบุคคลผู้นี้ไปหลบอยู่ที่ไหนอยู่ใตร้รักแร้ของอูดอะไรคือรักแร้ของอูด อ, อยู่ใต้น่าจะเป็นฐาหน้าของอูดใช่ไหมครับไปหลบอยู่ใต้ใต้ท้องอูดเพื่อที่จะได้ซ่อนตัวไม่ให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองไม่ยอมไป ให ina, ้ศ ta ัตยาบันกับท่านนบีสุลตนสัลลอลฮ์วะลัยวะสัลลัมส่วนคนอื่นๆื่นมนาฟซ็คนอื่นๆมาด้วยไหมไม่ได้มาหรือที่เรียกว่าอัลอาราบเนี่ยในอายะที่สิบนี่กำลังพูดถึงคนที่ไม่มาพอท่านนบีสุลต่านสัลลัมกลับมาจากอไดายเบียไอ้พวกที่ไม่ยอมออกมาพร้อมกับท่านนบีในตอนแรกเนี่ยท่านนบีถึงมาดีนะปุ๊บคนเหล่านี้ก็มาหาแหละมาเพื่ออะไร มาเพื่อที่จะแก้ตัวเป็นการเล่าให้เราฟังในอายะห์ที่ส1บอ็ด s a อ่านี่คือคำพูดของคนพวกนี้บรรดาคนที่เป็นอัลมุคัลล f u พวกอาหรับทะเลทรายที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ว่าถูกทิ้ไว้ข้างหลังนี่หมายถึงว่าไอ้พวกที่ไม่ได้ออกมาด้วยคนที่อยู่ในมาดีนนะไม่อยอมออกมาด้วยอัลลอรอบเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงพวกเผ่าต่างๆที่อยู่รอบๆมาดีนนะตอนที่ท่านนะบิช จ, จะออกมาที่อูดายเบียเนี่ยจะออกมาทําอุโมงค์รอบในปีที่ปีที่หกใช่ไหมครับท่านนะบิก็แจ้งแล้วก็บอกให้คนเหล่านี้เนี่ยเดินทางมาปรากฏว่าคนเหล่านี้มีความคิดอีกแบบหนึ่นงความคิดยังไง เขาเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกโกรเรชเนี่ยยกทัพมาโจมตีเมืองมาดีนะในสงครามอาซับใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีๆท่านนาบีจะนำชาวมุสลิมไปที่มักกะเนี่ยเฮ้ยมันจะปลอดภัยหรืออพวกนี้มันมีความคิดอยู่ในหัวว่ า, วาอะไรอะนี่ขนาดศัตรูยกทัพมาโจมตีมาดีนนะแล้วเน ย, ยังจะเอาตัวไม่รอดแล้วนี่เหมือนกับ ไปเกวนงเท้าหาเซียนจะออกไปหาถึงมักกะเลยเนี่ยมันมันจะรอดหรือคนพวกนี้ก็เลยกลัวไม่อยากออกไปไม่ออกไปกับท่านนาบีสโลล่องสลัมในปีที่หแล้วเป็นยังไงพอท่านนาบีออกมาคนเหล่านี้ก็บอกว่านะชะาลนาอมลนวะอลูนะทตัฟิรลนลูกหลาน ทรัพย์สินของเราครอบครัวของเราทำให้เรายุ่งวุ่นวายอัลลออักบาร์อันนี้เป็นข้ออ้างคลาสสิกถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าบางคนแยกอะไรที่มันเป็นเรื่องเราในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมทางศา ส, สนาหรือไปอุทิศ ต, ตัวเองให้กับการฟื้นฟู ทําเพื่ออิสลามทำเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานตะละทำเพื่อกับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับทางโลกเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยทังอย่างเนี่ยเราเราจะพูดว่าอย่างไงดีสําหรับคนที่บริหารจัดการได้เนี่ยสองอย่างเนี่ยทำอย่างไรให้มันประสานกันมันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ศา ส, สนาแน่นอนว่าเราทุกคนจะต้องช่วยจะต้องสนับสนุนแล้วครอบครัวต้องดูแลไหมธุรกิจเราต้องทำไหมหาเงินเราต้องหาไหมก็ต้องหาจะทำยังไงอันนี้เราตั้งโจทย์เอาไว้นะครับเพราะว่าข้ออ้างที่เอาทรัพย์สินเอาครอบครัวมาอ้างว่าไม่มีเวลาที่จะไปทิศ ต, ตัวเองหรือทำงานให้กับศาสนาของลสุภาณตระตะลาเนี่ย มันไม่ใช่ข้ออ้างของบรรดาผู้ศรัทธาอันนี้ <c oughs> มันไม่ใช่ข้ออ้างของผู้ศรัทธาเป็นข้ออ้างของใครผู้ศรัทธาไม่เคยพูดอย่างนี้บรรดาสาวะไม่เคยพูดอย่างนี้คนที่พูดอย่างนี้เป็นใครครับอัลอาราบเป็นคนที่อีบันอ่อนจากบรรดาชาวเผ่าที่อยู่รอบๆมาดีนะแล้วก็เป็นข้ออ้างของบรรดาพวกโมนาเสคูล เพราะฉะนั้นเราเป็นห่วงว่าเราจะเอาข้ออ้างพวกนี้มาใช้กับตัวเองระวังให้ดีถ้าใครจะอ้างข้ออ้างแบบนี้เนี่ยต้องกลับมาอ่านอายะนี้นิดนึงนะอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างของเรานะไอที่พูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่ตัว่านอตัวอ่านของตัวอย่างของของที่เราจะเอามาใช้อ้างกับตัวเราเองได้โอ้ไม่มีเวลาโอ้ไ ม, ไม่จะเรียนก็เรียนก็ศา ส, สนาก็ไม่ทันปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดถึงยิ่งถ้าจะเอาไปมีส่วนร่วมในการ ลงมือลงมานช่วยกันพัฒนาอันนี้ก็มีข้ออ้างเยอะแยะระวังให้ดีว่าจะเข้าข่ายพวกนี้คนพวกนี้เอาครอบครัวมาเป็นกำบัง <laughs> อัสสลัมเอาอะไรมาเป็นกำบังเอาธุรกิจมาเป็นกำบังแล้วก็จะแก้ตัวกับฮะกับท่านา س و ل u ล l a h อ ل ى الله عليه อัสสล แล้วมาขออย่างดีด้วยนะฟาสโตฟิรลนานะช่วยขออภัยโทษจากล l l a h ให้เราด้วยเธออ๋อดูเหมือนว่าเป็นคนแบบโอ้อะไรนะเขาเรียกนะเป็นคนแบบเอไม่ค่อยไม่ไม่ได้ไร้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกเร <laughs> เหมือนไม่ได้เกเรนะช่วยอช่วยขออภัยโทษ Allah ตาลาให้กับให้กับเราหน่อยเถอะเราผิดไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้ s u b h a n a ล l a h อ่า Allah تعالى สั่งให้ท่านนบีสัลลัลลอฮุซายด์ลงมา Allah تعالى ประจาศว่าอย่างไงย ق و ูลูนِ ا ل ْ س ِّนา ة ِ ه ِ م ม مَا لَيْسَ ف ِบ ق َ ل ُ و ب ِพูดพวกนี้จริงๆแล้วพวกเขากล่าวออกมาด้วยลิ้นเท่านั้นซึ่งในหัวใจของเขาข้ออ้างนี้เป็นความจริงไหมไม่ใช่ข้ออ้างที่แพ้จริงที่ไม่ได้ออกไปกับท่านนบีในปีที่หกเนี่ยเพราะนูน่นกลัว ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลัวว่าจะต้องลําบากกลัวว่าจะเกิดสงครามกลัวว่าจะต้องเสียหายกลัวว่าจะต้องสูญเสียนี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่ในหัว อ, อกแ ต, <c oughs> แต่เอาขอ้ออ้างข้อแก้ตัวแบบพื้นพื้นเรียกร้องความเอ็นดูเรียกร้องความสงสารจากการมีโซลอนเนี่ย <c oughs> เ, เราต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลธุรกิจต้องดูแลทัพยสินหรืออะไรต่างๆนั่นนหะ นะอัลลอ์ฺ تعالى กล่าวในประการที่ประเสริฐยมยุ้ยกลิน้บัลศีนัอิทีห่ม์ไม่ลิส์ฟีร์กลูบ์บิห่ม์คุล่่่ต่่่่่่่า่่่่่่่่ย่่่น่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่ย ต้องปกป้องครอบครัวต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลทรัพย์สินเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่ารัตตระจะทําลายมันยำฤทธิ์กุลและกมรมตัดหระใครอะที่ทําให้พวกเจ้าเนี่ยปลอดภัยไอที่ออกไม่ยอมออกไปมักกะเนี่ยเพราะกลัวอันตรายอยากจะอยู่สบายๆที่บ้านมีความรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านอยู่ในเมืองมณีนัตปลอดภัยแล้วถ้าสมมุติ ว่าอัลลอฮฺสวาบะลาจะให้เจ้าเกิดภัยในมดีนาเลยเนี่ยใครจะปกป้องเจ้าเพราะว่าไอภัยพิบัติหรืออันตรายที่เจ้าคิดไปเองเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ใครเป็นคนควบคุมอลัลลอฮฺสลาเป็นคนควบคุมอันนี้คิดไปเองคิดไปเองว่าถ้าออกไปเจอพวกกุเรชอะไรจะต้องเจอกับภัยกับอันตรายเหมือนกับว่าภัยอันตรายที่ต้องเจอกับกุเรช กับภัยและอันตรายที่ตัวเองอาจจะต้องเจอในมาดีนาเนี่ยคนคุมคนละคนกันทั้งทั้งที่ทั้งสองอย่างนั้นเป็นใครเป็นใครคุมอัลลอละาลาคุมภัยที่จะเกิดขึ้นอ่าที่มักกะก็เป็นภัยที่กำหนดโดยอัะะลลอ์ุบฮานออลและถ้าสมมติมันจะเกิดขึ้นที่มาดีนาอัลลอฮ์ละาลาก็เป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้เยี่ยมลึกทั้งผลประโยชน์ และภัยที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์แต่คนพวกนี้มีความคิดในแบบของตัวเองมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มไม่ได้มีอัลลอฮ์อยู่ในสายตาคิดในแบบมาตรฐานของมนุษย์ที่ไม่ได้มีความศรัทธาอย่างแท้จริงเพราะว่าเห็นว่าอันเนี้ยท่านนบีพาพวกไปพาซาฮบะไปโอ้ต้องเจอกับภัยอันตรายอย่างแน่นอนแต่ผลปรากฏว่า พ อ, อไปที่สุลฟุดายเบียะอัลลอฮฺตะลากลับให้อะไรกให้อะไรกลับมาให้ผลประโยชน์กลับมาให้การพิชิตที่อัลลอฮตะลาเรียกมันว่าอัลเฟตกลับมาตรงกันข้ามเลยกับสิ่งที่คนเหล่านี้คิดตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกมุนาสกีนพวกนี้มโนไปเองตั้งแต่แรกเห็นไหมอัลลอตะลาต้องการสอนคนพวกนี้ว่าอัลลอเป็นผู้ยัมล็กุดรัร เป็นผู้ทำให้เกิดภัยยัมริกุนนัฟานเป็นผู้ที่ให้ผลประโยชน์ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นอัลลอฮฺเป็นผู้ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีถ้าจะเกิดขึ้นก็อัลลอฮฺตาอลาเป็นผู้ให้เกิ ด, ท, ด, ก ด, กลลกดทั้งสิ่งที่ดีทั้งสิ่งที่ไม่ดีจะอยู่บ้านจะออกเดินทางจะไปนู่นมันเกิดได้ทุกที่ทุกแห่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่คือข้อความสาคัญที่เรา ต้องมาสอนตัวเองถ้าสมมติเรามีข้อแก้ตัวเหมือนกับพวกมุนาฟิตีมีข้อแก้ตัวแบบนี้เราจะมาสอนหัวใจของตัวเองอยังไงฮะถ้าเรากลัวว่าเรากลัวว่ามันจะเกิดอะไรบางอย่างกับครอบครัวกับทรัพย์สินจนมันกลายเป็นข้ออ้างว่าเราไม่สามารถที่จะไปทุ่มเทให้กับงานที่อลักะไรกาลังเรียกร้องเราอยู่เราก็ต้องเอาคาตอบเนี้ยมาตอบกับตัวเอง ถ้าสมมติเราพยายามแค่ไหนแต่ทาร่าะตะลาจะให้มันเกิดจริงๆมันจะเกิดไหมมันก็ต้องเกิดอันเนี้ยแล้วถ้าสมมุติเราออกไปใช่ไหมครับบางทีทาร่าตะลาอาจจะปกป้องอาจจะให้อีกหลายๆอย่างเพิ่มพูนทวีคูณกับเราทําไมเราไม่คิดในในทางกลับกันแบบนั้นด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ต้องฝึกหัวใจของเราให้ดีนะครับต้องอ่านอายัดแบบนี้แล้วก็ต้องฝึกหัวใจของเราให้ดีแน่นอนว่า อะไรที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันยากที่จะทําใจแต่ถ้าเราฝึกเราฝึกเราฝึกที่ถ้าเป็นไปได้สามารถที่จะบาลานซ์หรือให้มันสมดุลกันตั้งใจเนียดของเราให้ดีนะครับดูแลครอบครัวดูแลทรัพย์สินก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดต้องเนียดให้ดีต้องเนียดใหด้ถูกต้องและต้องไม่บกพร่องในการที่จะอุทิศตัวเองหรือทํางานเพื่อศาสนาของาาออาลาัทธิพานาวตระเลยนะครับพยายามระวังและหลีกเลี่ยง ข้ออ้างของพวกมนาฟิกีแบบนี้อยาให้มันเกิดขึ้นกับเราเลย والعياذ بالله من ذلك بل ظنتم وزينا ذلك ف ก قلوبكم ใช่ไมใช่ไม่ใช่มีอีกบัลคาน الله بما تعملون บ ب ي ر ا แปลว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل นั้นทรงรู้ดีสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเจ้าอะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเหล่านี้มีเจตนาอย่างไร بلغنتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أ ب د ا وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكنتم قوماً بورا ความจริงแล้วคนพวกนี้มันยังไงแลวแต่ละการันประจานคนพวกนี้อีกนะครับว่า ب ل ن ت م สิ่งที่พวกเจ้าคิดจริงๆก็คือ พวกเจ้าคิดว่ารอซูลและบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะไม่กลับมายังมดินน์อีออกไปครั้งนี้เสร็จแน่ๆอนี่คือความคิดที่มีอยู่ในหัวของบรรดาพวกอลอารอบพวกมุนาฟิกีนที่ไม่ยอมออกมาพร้อมกับท่านนาบีเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะครับพวกมุชริกีนยกทัพมาที่มดินเนี่ยเกือบจะไม่รอดในสงครามอาฮซับดังนั้นก็เลยกลัวว่า เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเหมือนกับพาพวกไปตายนะบัลบนั้นตุมอัลลัะยนกลิบอัลราซูลวัลูกูมินนอิลาอัลลีห์มอเบดาวะซูยินะดาลิกฟีกุลูบิคุมไม่ใช่แค่คิดเฉยๆนะเหมือนกับว่ามันฝังอยู่ในหัวใจของคนเหล่านี้เลยว่าคิดแบบนี้จริงๆอัอสตาัาคารุลลอฮ์เหมือนกับฟันทงแล้วว่าท่านนาบีไม่รอดแน่ออกไปรอบนี้ นี่คือความหมายคำว่าวาซุญญาดาริกะในหัวใจขคุณหมายังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายนะเพื่อจะได้มีมิติอื่นที่เขาบอกนว่าวามหมายนั้นไม่ใช่เรื่อง ل องคุ ك ะทาอมตนอุต้องัิอัติคุวต้องรัดิีคุวามยว่าวาซุญญาดาริกะในหัวใจของคุณว่าความหมายของคำว่าวาซุญญาดาริกะในหัวใจของคุณว่าความหมายของคำว่าวาซุญญาดาริกะในหัวใจของคุณว่าความหมายขอ وأنهم لن يعودوا بعد ذلك إلى أهليهم أبدا وزين الشيطان هذا ال هذا ظن الفاسد في قلوبكم ومكنه من نفوسكم فقبعتم في دياركم وظنتم في كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم و ب ت ب ا ع الصادقين ظن السوء أي الظن الذي كله سوء وشر ومنكر มัเกี่ยว ชัยตอนเป็นคนใส่ความรู้สึกนี้ลงไปในหัวใจของพวกมุนัคิกินให้มีความรู้สึกว่าท่านอาบีเสร็จแน่นๆไม่มีอะไรในแง่ดีเลยที่คนพวกนี้คิดกับเราซูลุลลอฮสัลลัลลอฮอวะัลลัมอัสตะฟุรุลลอฮไม่มีแง่ดีเลยอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เป็นบทเรียนในชีวิตของเราเวลาที่เราเห็นใครทำงานเพื่อศาสนาของล่สุภาวัลลอเนี่ยนะ ไม่ว่าเขาจะทำงานแบบไหนรูปแบบไหนเราจะใช้แว่นอะไรในการมองการทำงานของเขาบางคนเนี่ยตั้งคำถามตั้งคำถามเฮ้ยวัวล่วงหน้าแล้ววะเฮ้ยมันตกลงมันทำจริงหรือเปล่ามันอิคลาสหรือเปล่ามันทำไมก็ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นพวกที่เขาเรียกว่าเนกาทีฟ สายตาเนี่ยมีแต่เรื่องลบมองคนอื่นทำดีตัวเองยังไม่รู้นะว่าทำหรือไม่ทำแต่มองไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันฮะมองในแง่ลบอ่ะอรยาซุบิน ล, ละจริงๆแล้วเรารู้ไหมว่าที่เขาทำเนี่ยบางทีเราเห็นเราก็อยากจะทักกันเนาะเห็นเขาทำนูน่นทำนี่ถ่ายรูปแล้วก็ลงโซเชียลอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วถามว่าดีหรือไม่ดีอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราอะเรารู้หรือ โอเคล่ ะ, ะสมมุติเอากรณีตัวอย่างจริงจริงบางคนบริจาคลงไปช่วยผู้เหลือผู้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลในความรู้สึกเราบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าทาไมต้องลงรูปอะไรด้วยใช่ไหมบางคนก็อยู่ไม่นิ่งและต้องไปคอมเมนต์ต้องไป comment, ต้องไปก็เรียกว่าอะไรนะแสดงความคิดเห็นว่า กระเนะกระเนกระแสาะกระซิบอะไรของเขาเนี่ยแล้วมันเรื่องอะไรของเราที่จะต้องไปตรวจสอบหัวใจเขาด้วยอะ่ะเข้าใจไหมผมว่าเราน่าจะตรวจสอบหัวใจเราก่อนว่าว่าเรากําลังคิดอะไรกับเขาในทางลบในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าความอิคลาสเนี่ยมนุษย์ตรวจสอบด้วยกันเองไม่ได้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีคุณภาพของเขาที่เขาทําอย่างนั้น ผมอยากจะให้มันเป็นวัฒนธรรมของเราแบบนี้วัฒนธรรมยังไงวัฒนธรรมในการมองโลกในแง่ดีกับพี่น้องโดยเฉพาะคนที่ทํางานเพื่อเพื่อสังคมเพื่อศาสนาหรือเพื่ออะไรก็ตามเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเป็นหน่วยคัดกรอง อ, ะอ่ะอ่าบุคคลพวกนี้ไม่ผ่านองค์กรนี้ไม่ผ่านคือช่วยช่วยกันทําไม่ได้เลยทําไมต้องมานั่งเช็คมานั่งคัดกรองถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ อ, อะไรนะเขาเรียกว่า คือพูดยากเหมือนกันคืออยากจะให้มันเป็นมันอยู่ในใจของเราเช็คส่วนตัวนะเช็คส่วนตัวคัดกรองส่วนตัวก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเอาไปโพสต์เอาไปพูดต่อเอาไปขยายต่ออย่างเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่เชื่อใจเขาเราก็เก็บเอาไว้ส่วนตัวก็พอไม่เชื่อใจก็ไม่ต้องไปร่วมมือด้วยไม่ต้องให้การสนับสนุนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอามา ขยายต่อขยายความต่อจนกระทั่งคนอื่นมองในแง่ลบกับเขาด้วยแล้วก็เกิดผลกระทบต่อคนที่กําลังลําบากจริงๆหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็อัลลอฮะลัยฮิสาลามันนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะผมมองผมมองว่ามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่เราจะนั่งตั้งโต๊ะหน่วยงานในการตรวจสอบโดยโดยที่เราไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องนั้นๆจริงๆนะครับอัลลอฮฺอาลลอฮฺนะครับกลัวว่ากลัวกลัวว่าจะเข้าข่ายในเรื่องของการ ว่านั่นชมวันเซลซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะเป็นนิสัยที่ใกล้เคียงกับนิสัยของบรรดาพวก almunafiqun walayyadu b i l ะ a h นั่นคืออะไรทีมันอยู่ในหัจใจตอนใส่ความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกลบๆแบบนี้เข้าไปในหัวใจของเราแล้วเราก็เอาต้นทุนการมองลบเนี่ยไปมองคนอื่น walayyadu billah ا ล ت غ ف ลา ل ل ه لا حول ولا قوة إلا بالله ว่าคุณจมเอามันบะูรารซึ่งจริงๆแล้วพวกเจ้านี่แหละเป็นพวกที่พวกคนที่มีแต่ความหายนะไม่มีอะไรดีเลยนะอันนี้คือพะเนี่ยมันคือคือสุมภาพัลอดคือเราเรียนอัลกุรอานเนี่ยถ้าเราเรียนผ่านๆอ่านความหมายจบๆแล้วไม่ได้มาใช้มองตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่ได้บทเรียน แต่พอเราเอามาใช้กับตัวเองเนี่ยเราเริ่มได้บทเรียนแล้วอ่ะบางทีส่วนใหญ่คนที่ชอบกริติคคนอื่นน่ะคนที่ชอบคอมเมนต์คนอื่นเนี่ยบางทีเขาทําอะไรบ้างเนี่ยในขณะที่ปากเขากําลังคอมเมนต์คนอื่นกําลังกริติคคนอื่นมือเขาทําอะไรบางทีไม่ได้ทําอะไรและนําซ้ําอาจจะทําเรื่องที่ไม่ดีอยู่ด้วยสุภาษิตคําพังเพยโบราณหรือสุภาษิตของไท ย, ยเขาได้ยังใช้ได้อยู่ มือไม่ทามือไม่พายเอาเท้าราหนังอะไรประมาณนี้อาจจะเข้าขานี่ข้อเนี้ยอาจจะพออธิบายในในลักษณะอย่างนี้ได้ปากคอมเมนต์นะคนอื่นมองคนอื่นในแง่ลบแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนดีใช่ไหมครับอัลลอลฺบอกว่าไอ้พวกมนาซึกไอ้พวกที่กําลังกล่าวหาท่านนบีสุลต่านเราคิดในแง่ร้ายกับท่านนบีสุลต่านอาบัมบูรอ เป็นพวกที่แฟสซิดีเป็นพวกแฟสซิดเป็นพวกสร้างความหายนะไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีที่ออกมาจากตัวของตัวเองเลยวัลอะุบิลลาฮิมิลาลิก a s t a g h i l l a h i นะเป็นพวกที่ไร้ค่าไม่ได้สร้างคุณระประโยชน์ให้กับใครเลยสร้างแต่คำพูดเสียเสียห้หายสร้างแต่พฤติกรรมเสียเสียห้หายให้กับสังคม ا ل ع ي ول ا ذ بالله لا حول بال <ت ص في ق> ولا قوة إلا بالله قوم بوراء قوم هالين فاسدين لا الله إ أ ل ละท ا ะทละทละทละทละ ل ละทล إ ا ละทละทละทละทล و ทละทละทละทละทละทละทละทละทละทละทละทละทละทละทละทละทละทละทละทล ن ทละทล فإن أعتدنا للكافرين سعرا ใครก็ตามที่ไม่มีความศรัทธาต่อ س ه س ب ح ุ ن ه และ ت ع ا ลและไม่ศรัทธาต่อรอซูลของพระองค์แท้จริงแล้วเราได้เตรียมให้กับบรรดาคนกาเฟรนั้นนรกจะหันนำที่ลุกโชนนรกที่ฝ่ายนารกที่ลุกโชนนะครับอันนี้มีคำอธิบายนิดนึง ขَว่าْ لَمْ ي ُ ؤمن بالله إ ي م ا ن ا ح حقاً وبيصدق الرسول ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند ربه ويطيعه في كل ما أمر به أو نهى عنه آن قبناه ُ عقاباً شديداً ف إ ن ا قد ه ي أ ة ن ا للكافرين ناراً مسيرة ใครก็ตามที่ไม่ัตา سبحانه و ت ل ى จริงๆแล้วของอิมนุกาซีเนี่ยขออิมมุกาซีเนี่ยน่าสนใจนะครับท่านบอกว่าไอ้มื่อเมยุคลิสงนในที่ปรากฏและลับตาล์สำหรับพระเจ้าเพราะนั่นพระเจ้าทรงจะประณามในสิ่งนใครก็ตามที่ไม่คลาสอามัลของเขาทั้งเปิดเผยและลับหลังเพราะพวกมุนาฟิกินเนี่ยเบื้องหน้า เป็นยังไงภาพลักษณ์มันสวยแต่เบื้องในเป็นยังไงเน่าเฟะเพราะฉะนั้นคำว่าอีมานตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคุณลักษณะภายนอกแต่มันหมายถึงคนลักษณะที่เกิดมาจากภายในจริงๆแน่นอนว่าเราเชื่อว่าถ้าสมมุติคนคนหนึ่งมีอีมานที่ดีจากข้างใน ข้างนอกมันก็ย่อมที่จะต้องเผยออกมาให้งดงามและสวยงามเช่นเดียวกันแต่ในบางกรณีเราไม่อาจจะเช็คได้ไงเพราะเราเห็นแค่ข้างนอกอย่างเดียวข้างนอกเหมือนกันหมดดูดีหมดเลยเราก็ว่ากันตามตามที่เราเห็นข้างนอกแต่ข้างในเรามองไม่เห็น มีใครที่สามารถจะมองเห็นได้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะตะละและตัวเขาเองเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องข้างในกับข้างนอกเนี่ยต้องระวงังนะว่ามัลลุมยุมิบลลาฮิวะรัสูลิใครที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะข้างในกับข้างนอกไม่เหมือนกันข้างนอกดูดีว่าอินอัลฮาราลินนาซมายะตะคิดูน خلافما هو علي في نفس <ق> الأمر ซึ่งแม้ว่ า, เ, าเบื้องนอกเนี่ยเปิดเผยเนี่ยเขาอาจจ ะ, สะแสดงตัวสแสดงตนให้เห็นว่ามันมันอะไรนะไม่ไม่เป็นคนที่หวังดีเป็นคนที่าภาพลักษณ์ดูดีอยู่ข้างท่านนาบีสุลต่ามหรือมาแก้ตัวแบบแบบน่าสงสารหรือน่าเอ็นดูอันนี้ไม่ใช่ เกณฑ์หรือมาตรฐานที่จะเอามาวัดเวลาที่เขากลับไปหาอัลลอสุบฮานาวะตลอลาได้ผมว่าอายัดนี้เนี่ยมันต้องใช้กับตัวบุคคล น, นั้นๆเป็นการสอนเป็นรายบุคคล น, นั้นๆไปเลยและน่าน่าจะเอามาใช้สอนเราแต่ละคนด้วยอันนี้แหละเวลาที่เราจะเวลาที่เราจะดู ว่าเราเป็นยังไงอะคนแต่ละคนเป็นยังไงเนี่ยอยากจะให้ดูตัวเองก่อนอยากจะให้ดูตัวเองก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องนิฟากกับโมนาเฟตเนี่ยอย่าให้มันเป็นเรื่องง่ายบนปากเราอะ่ะเข้าใจไหมพวกเราบางคนยิ่งง่ายมากเวลาเห็นใครที่เราไม่ถูกใจแล้วไอ้ อ, ออกมาแล้วไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่บางทีถึงขั้นเรียกเป็นกาเฟตเรียกเป็นโมนาเฟกเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราจะหลุดปากออกไปเรียกคนคนหนึ่งเป็นเป็นฟาซิสเป็นกาเฟตหรือเป็นโมนาเฟกได้เนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ได้โปรดเถอดอย่าให้มันเป็นเรื่องปกติอย่าให้มันเป็นเรื่องง่ายในการที่เราจะยิงยิงคำพูดออกไปใส่ใครสักคนหนึ่งด้วยคำพูดแบบนี้วลลละวลาลละอยาตุมเป็นละวะลายาตุเป็นละยาเลยนะครับเราต้องกลัวว่าตัวเองจะเป็นโมนาเฟกว่าตัวเองจะมีโรคนิฟักและต้องกลัวที่จะใส่คนอื่นถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีพฤติกรรมต่างๆนานาที่อาจจะ โอเคเก็บไว้ในใจคนเดียวไม่เป็นไรอย่ายิงออกมาเมื่อไหรก็ตามที่เราพ่นคําพูดออกมาปุ๊บเนี่ยน่ากลัวเราไม่ชอบเขาเราไม่เชื่อเขาเราไม่ไว้ใจเขาโอเคเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ ไ, วไม่ต้องพร่อยออกมาเราไม่ต้องพร่อยออกมาเพราะเมื่อะไหร่ก็ตามที่มันพล่อยออกมานี่มันหลุดออกไปจากเราแล้วเนี่ยมันยากเพราะมันมีห a d i s ของท่านนบีที่บอกว่าใครก็ตามที่ใส่คนอื่นไปว่าเป็นกาเฟ เป็นฟาเิกหรือเป็นโมนาเซกหรือเป็นอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดเนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่ตัวผู้พูดเองอันนี้แหละที่เรากลัวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮหัวอักบาร์เนี่ยเรื่องอิมา ن เรื่องความศรัทธานเนี่ยวัดกันที่เนี่ยตรงนี้ซึ่งมนุษย์ด้วยกันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้พฤติกรรมอย่างหนึ่ง แต่ขั้นในอีกอย่างหนึ่งเราเอามาตรฐานของท่านนาบีสลุลตลล่านในการใช้กับคนพวกนี้สิถามว่าท่านนาบีปฏิบัติกับพวกมนาเฟตย่างไงท่านนาบีรู้ว่าใครเป็นมนาเฟตนะนี่ต่างกันเลยนะเรารู้ไหมว่าใครเป็นมนาเฟตเราไม่รู้แต่เราปฏิบัติกับเขาเนี่ยเหมือนเราเหมือนเรารู้อัสสลัม เราปฏิบัติกับคนที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นมูนาเฟกหรือไม่ใช่มูนาเฟกเนี่ยเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าเขาเนี่ยมูนาเฟกแน่นอนอัสลา ม, ม, โมโุขุลล่าอัลลอฮฺนในขณะที่ท่านนาบีรู้จักดีว่าใครเป็นมูนาเฟกแต่ท่านปฏิบัติยังไงอะท่านปฏิบัติเหมือนกับเราไหมกับมูนาเฟกเองอะท่านปฏิบัติตัวกับมูนาเฟกยังไงไม่ได้ไม่ได้ใช้วิธีการที่เราใช้กับคนที่เราไม่รู้ าเป็นโมนาฟฟกหรือไม่ใช่มมนาฟฟกนี่ความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงเลยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับ อ, อันนีอ้อะไรนะกลุ่มอายะน์ที่เรากำลังศึกษาอยู่โดยตรงแต่มันเป็นบทเรียนเวลาที่เราคุยเรื่องเรื่องประเด็นเนี้ยประเด็นเรื่องโมนาเฟกประเด็นเรื่องนิฟากเนี่ยเรากลัวว่าเราจะเอาจะเอาเกณฑ์จะเอามาตรฐานมมมองภายนอกของเราเนี่ย มาใช้ในการตัดสินหัวใจของคนอื่นนะอัลุซุลเลาะห์มิลลาอึกอัลตาลาบอกนะครับในนี้ในตัสเซต์ก็บอกเองว่าให้ใช้มาตรฐานของอัลต阿拉ในข้างในนะไม่ได้ดูข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้ดูข้างนอกนะว่ามันล้ำยู่มิมบิลละอิาวาราซูลีฮิตรงนี้นหมายถึงอิมานอิมานนี่มันอยู่ข้างในหัวใจของคนซึ่งเรากันเองไม่สามารถที่จะมาผ่าหัวใจดูว่าใครมีอิมานยังไงอะไรแบบไหน น, นะครับอัลลอฮุซนะุลเลาะหัลละ ว่ า, าม <Hey. S 1> บบันลืมยึดมั่นในพระเจ้าและศาสดาของพระองค์ฟังนะเอาแต่เราเล่าให้คนที่ไม่เชื่อฟังนะนรกเพราะฉะนั้นระวังตัวเองคนอื่นเราอาจจะแนะัตได้แต่อย่าไปอย่าไปใช้การประทับตราเขาเลยนะครับวะลยาตุบิลละเขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไ ม, ไม่ถูกต้องมีพฤติกรรมที่เข้าขายว่าเป็นพฤติกรรมของ ที่เป็นบาปที่เป็นมัทธิสิทธ์ต่อเราแต่ละเราก็ตักเตือนเขาไม่มีปัญหาแต่เราจะไม่ไปประทับหน้าเขานะครับพี่น้องด้วยกันด้วยคําพูดที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่าไม่ใช่มุสมินไม่ใช่มุสลิมอันนี้อันนี้ต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่ามันร้ายแรงนะมันเป็นกรณีเป็นเคสที่ร้ายแรงมากถ้าเราพูดออกไปแบบให้มันหลุดออกไปจากปากของเราง่ายๆอย่างนัีน้ยอัลลอฮฺ ت ع ลอ ى أ ع ل อ وفقنا الله إياكم لما يحب وارضه าะซ ا, أ ل ل ه ฮฺอ ن ب ะรีนะมุฮัมมัดนะ صحبه وسلمسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته